เอาเวลาอากาศหนาวๆให้นั่งภาวนาดีนะแลาวคันตั้งใจพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรานะให้ฝึกให้ฝึกตัวเองทำไมจึงสอนให้เราฝึกตัวเองที่ให้ฝึกตัวเองนั่นก็เพราะว่าต้องการให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่เอาสุขปลอมๆถ้าได้สุขที่ไม่แท้นะ่ะมันนำทุกมาให้ด้วยนำสุขมาให้ด้วยยึงต้องฝึกฝึกทำไมฝึกให้มันเป็นปกติฝึกกายให้มันเป็นปกติฝึกวาจาให้มันเป็นปกติแล้วฝึกใจให้มันเป็นปกติ กลายเป็นปกติคำว่ากายในที่นี้มันหมายถึงร่างกายแต่หมายถึงการกระทำทางกายการไหายฝึกกายคือฝึกการกระทำทางกายนั่นแหละ <c oughs> ให้มันเป็นปกติมันผิดปกติก็ข่ากันเบียดบินกันทำลายร่างกายซึ่งกันและกัน เมื่นทำผิดปกติวาจาก็เหมือนกันให้มันเป็นปกติวาจาเป็นปกตินั้นต้องเป็นวาจาที่ตรงไปตรงมาเป็นวาจาที่ไม่ส่อเสียดถึงกันและกันเป็นวาจาที่ไม่โกหกหลอกลวงเป็นวาจาที่ไม่ด่าไม่ประนามกันเป็นวาจาที่พูดในสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ไม่ใช่เลาะแหละเหล้ยวไหลตลกคันองเฮฮ่า ถ้าเวรวาจาอย่งางนั้นท้านเรีว่าวาจาไม่ปกติไในวาจาเป็นปกตินั่ะทา่านเรียกว่าศีลที่เรารักษาศีลรักษาสิคือรักษาความเป็นปกติของเรารักษาความเป็นปกติของกายวาจาที่กายวาจาของเรามันไม่ปกตินั่นก็เพราะว่ามันอยู่ในสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เกิดมาธรรมดาปกติเด็กๆนะ่ะมันปกตินะเด็กนั้นเป็นปกติธรรมชาติมันดเด็กๆขนาดคานได้เราดูในตาในตามันไม่มีแววเพราะว่าไอ้วิญญาณนั้นมันยังไม่ส่งมาทางตางนั้นกายวาจาของเด็กนะั้มันจึงเป็นปกติแล้วยัง อันนี้เฉพาะกายวาจาแต่ใจของเด็กนั้นนะเพราะควาติาาใจนะ้นต้องอาศัยสมองเป็นเครื่องคิดเป็นเครื่องรับสัมผัสข้างนอกแต่ถ้ามีใจธรรมดามก็เป็นปกติธรรมดามนะันมันไม่ได้รับอายตนาซึ่งไม่ได้รับทางต า, งางหูจมูกลิ้นกาย มันจึงไม่ไม่ดีไม่ลายแต่ใจที่ปกติอย่างนั้นมันหมายความว่าใจหมดกิเลสอย่างใจเด็กมันปกติมันได้ไม่ไม่มีมันไม่ได้หมดกิเลสเพราะกิเลสมันนอนเพราะกิเลสแ้่มันมีมาติเดิมแล้วมันนอนอยู่ในนั้นคือไใ้ความโลภความโกรธความหลวงมันนอนอยู่นั่นแล้ว เมื่อสมองนั้นเจริญขึ้นร่างกายจเจริญขึ้นวัยเจริญขึ้นของเด็กอ้เวรยามก็ส่งออกทางตาหูจมูกรับรู้รับทราบสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยลาดับเห็นสิ่งแวดล้อมแต่โดยลาดับก็แสดงไปทางกายทางวาจาตามสภาพของสิ่งแวดล้อมนั้นๆก็ยึดถือทรงจํา สิ่งที่คนอื่นทําสิ่งที่คนอื่นพูดจดจํากันมาโดยลําดับมันก็เป็นไปตามลักษณะนั้นไอความปกติของกิตมันจึงไม่ค่อยจะมีนักทีนี้ความเป็นปกติของกิตพระบุทธยาสอนให้เอาสติกับสมาธิเข้าไป ให้มันเป็นปกติแบบนั้นมันจึงเรียกว่าปกติแล้วมันต้องมีปัญญาเมื่อเข้าถึงความปกติแล้วมันก็จะไปนอนตามสภาพแต่เมื่อสติสมาธิเข้าไปแล้วนะปัญญามีการเกิดปัญญาเป็นเครื่องประกอบปัญญาเป็นเครื่องล้างล้างไอโลภะโทสะโมหันนั่นเ อ, อ นี่ยการปฏิบัติของพวกเราก็มุ่งอย่างนั้นมุ่งไปตามทางที่พระเดจจ้าสอนไว้แล้วปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นคือฝึกตัวเองความจริงนะเราฝึกมาแต่ต้นแล้วตั้งแต่เกิดมาพ่อแม่ก็ฝึกให้พูดอย่างนี้นะเรียกพ่อเรียกแม่เรียกพี่เรียกน้องเรียกญาติเรียกอาเรียกน้าอย่างนี้อย่างนี้นี่ฝึกมาเรียกก็ฝึกไปทางดีนะ หลอดถึงฝึกในด้านการศึกษาให้มีวิชาให้มีความรู้ให้รู้เรื่องความเป็นไปของโลกให้รู้เรื่องวิชาการในการที่จะแสวงหาทรัพย์โขคหาหาเงินหาทองมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวหลกเมียก็ล้วนแต่ฝึกมาทางนั้นแต่การฝึกของชาวโลกนะฝึกเพื่อเอาฝึกเพื่อฟังสั่งสม ฝึกเพื่อรักษาไว้ฝึกเพื่อเอามาให้ตัวเองนี่คืสิ่งที่ได้มาที่นำมาเหล่านั้นลสิ่งภายนอกก็หมายถึงทรัพย์โภค่ะเงินทองหิงทองลาภหยุดสรนสนุกที่ได้มาก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติว่าได้ได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมีอย่างนี้ ก็ได้รับความชื่นดมชื่นใจความยินดีพอใจไปแล้วสิ่งเหล่านั้นมันไม่เยื่ยอยู่อย่างนั้นตลอดไปถ้าสิ่งเหล่านั้นมันมีมันเป็นอย่างนั้นตลอดไปมันจะนำให้ได้รับความสุขตลอดไปแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนมีลาบยศสันเสริญสุขแล้วแทนที่มันจะอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่อยู่มันก็เปลี่ยนสภาพไป ที่มันเปลี่ยนสภาพก็เพราะว่ารูปร่างกายของเรานี่เองมันเปลี่ยนสภาพไปคนมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งหน้าที่ขึ้นไปตามลำดับจนถึงเป็นนายกจนเป็นถึงพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่างๆถ้าอยู่อย่างนั้นตลอดไปร่างกายสังขารแข็งแรงหนุ่มแน่นีึ่งมันก็เป็นได้ตลอดแต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นร่างกายหมดสภาพ เหนียวแห้งไปเขาแก่ชราก็จําเป็นต้องปวดกษียนกันหมดสมรรถภาพในการที่จะทํางานแล้วล่ะอายุหกสิบแล้วต้องกระเซียนแล้วก็สมองมันไม่ว่องไวอย่างเก่ามันเชื่องช้าไม่ทันการดังนั้นการกำหนดอายุหกสิบขึ้นไปแล้วไม่ได้มันเชื่องชา้า <c oughs> ในการงานใ น, ในความเด็ดขาดไม่ได้ ปกติใจนะมันเข้าถึงความเฉยเมยจะเข้าในรักษณะดีดะะก็ช่างไปดีก็ช่างไปจะไม่เถอะอะไรก็ช่างมันเถอะทั้งนั้นลหละยจิตใจเข้าถึงวัยนั้นนะมันเรียกว่าใจอ่อนแอก็ได้ใจไม่อยากจะเอาเรื่องกับใครอ่ะอยากจะอยู่เฉยๆอ ย, ฉยอยู่เฉพาะตัวเองนะแต่การที่จะไปอยู่เฉยๆอย่างนั้น่ะตัวเองมีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องให้คุณให้โทษในหน้าที่การงานที่ตัวเองรับผิดชอบนั้นนั่นก็จะต้องปลดไปตามอายุไขของร่างกายนันนั่นเพราะสภาพแห่งร่างกายนะันมันไม่อยู่สภาพยังไม่มั่นคงไอสภาพแห่งจิตใจนะั้นยังเก่านะ่ะอันนั้นก็ธาตรู้ยังเก่านะแต่เพราะร่างกายมันเปลี่ยนสภาพโดยเฉพาะคือสมอง มันเปลี่ยนสภาพเดี๋ยวว่าเก่าค่าๆเหมือนกับเครื่องรถใช้มากเข้ามากเข้ามันก็หลวมตำรวจไปลูกสูบมันก็หลวมได้ไม่ได้ถึงไม่ใช้ได้กับสังขกขักขกขักอย่างนั้นแหละในว่องไวแต่โซนเจ้าของรถมันยังดีอย่างเก่านะสนใจที่อาศัยร่างกายกับอย่างเกนะ่ะ ก็ท่าโลกอย่างเก่านั่นคือความเป็นไปของโลกที่ชาโลกที่มีที่เป็นไปมันไม่สม่ำเส ม, สมอมันไม่ตลอดไปมันไม่เป็นอมตะถ้ามันเป็นอมตะคือมันคงทาวรอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นยึดตัวกลาไปสร้างไปหาคนอื่นมีมาแล้วเกิดแล้วก็เป็นอย่างนั้น แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนพวกเราให้เพียรพยายาปฝึกตัวเองฝึกตัวเองเพื่อให้หลุดพน้นหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากชาติทราพยาที่มรณะอะสิเพื่อให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายนะสิที่ไหนเนี่ยที่มันไม่แก่เจ็บตาย เป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็แก่เจ็บตายเป็นสัตว์ยร์ฉานก็แก่เจ็บตายเป็นเทวดามารผมก็แก่เจ็บตายทั้งนั้นในเทวดามารผมเขาจะมีความสุขกว่ามนุษย์อย่ยว่ามีความสุขล้วนๆเขาหนาะแต่ก็มี ขอบเขตมีจำกัดอายุนำอายุสวรรค์ชั้นจาตูมเป็นตามกําหนดไว้ตามตําลาว่า50ปีของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตูมร้อปีร้อยปีในเมืองมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นเดาดึง เรียกว่าเพิ่มสูงขึ้นไปตามลําดับของสวรรค์ น, นับอายุตามนั้นเรียกว่าสร้างบุญสร้างกุศลมากคทำก็ขึ้นชั้นสูงขึ้นมากเรียกว่าได้มากขึ้นตามลําดับว่างั้นเถอะนะในทานศีลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่มาถึงขนาดที่ว่าพลจากอาคิสราคิเด ก, ก็จําเป็นต้องเกิดในภูมินั้ น, น, นอยู่มันก็เรียกว่าอยู่ในสถานที่ ที่ไม่แน่นอนเหมือนกันมันหมดเป็นหรือมีแล้วมันก็หมดที่ไม่มีชราพญาที่มาราณาหรือที่มันมีแก่เจ็บตายนะพุทธเจ้าคนพบแล้วต้องเอาใจให้หลุดพ้นจาก ท้งสหนีไปจากพบท้งสามคือกามพบผู้ประพบอรูประพบกามมาพบหมายถึงมนุษย์สัตยาชานระสวร์ทั้งหกทันสิ้งฝ่ายอ บ, บ, บายภูมิสัตยาชานนรกเปยสุรกายพวกเหล่านี้เรียกว่ากามพบคำว่ากามพบนันหมายถึงใจนั้น มีกามเป็นที่ตั้งยึดถือความรักความชังเป็นที่ตั้งเอาความรักความความยินดีความพอใจนะั่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องอยู่้ะมีความรักมีความยินดีพอใจแล้วก็อยู่กันได้รักแล้วก็ชังคันชางแล้วก็จะทำลายมันเป็นคู่กันแต่โดยมากก็ชอบแต่ แต่สิ่งที่น่ารักน่ารักกันเขาจึงปรุงแต่งสิ่งที่น่ารักทั้งหลายขึ้นมานางบานก็เอาสวยเอางามเสใหญ่โตต้องให้มงงามงามอย่างนั้นนะว่าประตูสิ่งของที่มีมันก็ให้งามงามอย่างนั้นเอางามงามเป็นหลักอ่ะจะสิ้นเงินสิ้นทองเท่าไรไม่ว่าขอให้มันแดงงามงามใช้ได้ที่เป็นอย่างนั้นก็พอสนองความยินดีความพอใจของตัวเองนั่นแหละ ขอได้ยินดีรักพอใจเท่านั้นใช้ได้ถ้าไม่มีความยินดีความพอใจก็หมดปัญหาในแต่สามีภรรยาที่เขารักใคร่พอใจถ้าความรักหมดแล้วมันก็ห่างเหินกันเหมือนจะมีความรักความยินดีความพอใจอยู่ก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ยังพอใจกันอยู่ในความรักกับความใคร่มันก็อยู่ขนาดแนวทางกันอีก ความคายด้วยอำนาจแห่งเมตตาความด้วยอนานาจแห่งขวาราคะความกำหนัดถ้ายั ง, ย, งยังมีรูปสวยรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพายยังบริบูรณ์ดีอยู่ให้ความคายมันก็ยังเกี่ยวคล้องใจคู่ของคู่ตรงกันข้ามอยู่ <c oughs> ตรงกันข้ามถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิ่งนั้นบริบูรณ์แล้วจะห่างเหิน ทีนี้ถ้าอายความข้ายน่ะเอาเมตตาเอาเมตาเาเมตาเอาความสงสารเข้าไปเป็นกอะกันก็อยู่ร่วมกันได้โดยอยู่ด้วยอํานาจแห่งความรักเมตตาความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมันก็ไปกันได้ไฝ่ายความข้ายนั้นมันจะหมดไปอยา่างสามีภรรยาที่เขาอยู่ร่วมกันจนแก่เท่าออกันละ ก็ดูด้วยความเมตตาสงสารเห็นศกเห็นใจซึ่งกัดอะไรกันเนีย่ยว่ามีเมตตาเป็นหลักครั้งแรกก็อาศัยความใค่ายเป็นหลักเป็นแม่บทมา ก, ก่อนเมถ้าอาศัยความเมตตาเข้าประกอบกันเมตตากรุณ า, าเรื่องความมิหารนั่นเข้าไปประกอบแล้วต่างคนต่างก็หวังพึ่งซึ่งกัดอะันอันนี้เรื่องความของความใ ค, ค่ ย่อมมีย่อมเป็นอย่างนนั้ย่อมเกี่ยวข้องกันเองรวมแล้วก็เรียกว่าตามมาพบกันแหละใส่ความรักใครพอใจนนนะ่ะเป็นแม่บทแล้วไม่ใช่เมตตาล้วนเมตตาเมตตาล้วนมันให้เมตตากรุณามันไม่เอาถ้ามีแต่เมตตากรุณานะไม่เอาความรักประกอบเมตตานะไม่ไม่ไม่หวังเอา แต่หวังให้ให้สิ่งที่เรารักนะให้มีความสุขรักปื้มพอปีติพอใจทันทีอย่างว่าพ่อแม่หรือพ่อรักลูกสาวของตัวเองแม่จะรักกัเมตตาขนาดไห น, นไม่หวังที่จะเอาลูกของตอนนัมาเป็นของตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองมุ่งว่าให้ลูกสาวตัวเองนั้นนะ่ะมีครอบครัวที่ดีมีสามีที่ดีท่าได้ดีๆแล้วก็ปื้มใจผู้เป็นพ่อ อันนี้ลักษณะของเมตตาไม่ใช่ลักษณะของความค่าความค่าแล้วหงเหนหลกักจะต้องเป็นของเราอย่างเดียวกันคนอื่นแต่ต้องไม่ได้คนอื่นมาใกล้ไม่ได้ <c oughs> ถ้ามีความคล้องในสิ่งเหล่านี้แล้วจึงไงว่ากามภพคือที่ตั้งที่เกาะอยู่ของใจที่ยินดีของใจ จึงไม่สามารถที่จะหลุดออกไปได้มันมีอยู่ที่ใจยังไงว่าตันหาาอยากก่อนต้องการมีตันหาแล้วก็มีมีอุปทานอุปทานหมายถึงรักษาไวจับไวดยึอไวพอใจว่าสิ่งนั้น เ, นเป็นของดีเป็นของให้ตัวเองให้ได้ับความสุขนั่นเองเรียกอุปทาน รูปภพทรูปภพนี้หมายถึงท่านที่ได้ฌานสมาบัติมันเป็นสิ่งสมาธิปัญญาได้ฌานแล้วมีสมาธิเป็นเครื่องอยู่ใจยังเกาะสมาธิยังปิดอยู่ทีสมาธิคอยใจอยู่ในสติอยู่ที่สมาธินั่นแหละพวกนี้ก็เกิดในท่านผมถึงเรีรูปภพอีกพวกหนึ่ง ไม่ติดสมาธิหล้วแต่ว่าติดในสศกติดในโอเปคขาแต่ไม่มีรูปไมิตเป็นเครื่องอยู่โอเปขามีรูปเป็นที่เป็นเครื่องอยู่ ka, ป เ, ปเป็น เ, ออเนที่ยงยึดองา น, นเป็นพรมนู่เรียกว่ารูปพรมรูปพรมนั้นมีสิบหกชั้นรวมทำอารูปพรมเขาอีกสี่ชั้นรวมแล้วทั้งหมด คมนั้นมีมียี่สิบมียี่สิบชั้นนั่นคือพวกที่ติดในรูปภายในรูปนิมิตภายในคนที่ติดกรรมมาพบนั้นใจเกาะในรูปข้างนอกรูปของเราและรูปของคนอื่นคนที่เป็นาได้ ที่เป็นพรมติดรูปภายในจริงรูปลิมิตภายในไม่ใช่รูปภายนอกติดเกาะรูปภายในส่วนนัรูปประพบไม่ได้ติดรูปแต่ว่าติดอุเปเเครเวทนาซึ่งไม่มีรูปเป็นเครื่องอยู่แต่ว่ามีอุเปเเคานั้เป็นเครื่องอยู่ใจไหนจะหยุดนั้นเป็นฐานที่ตั้งคืออรูปอรูปก็หมายถึง เมตนานี่ยเองแต่ว่าที่ที่อยู่ของอรูปนั้นคืออุเปขาอุเปคาของรูปพรหมนั้นมีรูปเป็นเครื่องอยู่มีนิมิตเป็นเครื่องยึดอรูปพรหมนั้นไม่มีนิมิตเป็นเครื่องมืดยึดแต่ว่ามีความเฉยเป็นเครื่องอยู่ใจพวกนั้นก็มีกําหนดอายุยานะคร่บ น, นพบ คือที่ตั้งของใจใจมันยังคล้องยังพบดูลเหล่านั้นมันจะหลุดพ้นไม่ได้ยังจะต้องเกิดที่ใจของบุคคลผู้ที่ฝึกขาดแล้วสร้างศีลสมาธิหรือสติสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาให้มากขึ้นแล้วก็สลัดออก ตลาดความยึดถือในการพบรูก ป, ประพบอาู ป, ประพบนั้นออกจากใจใจเป็นอิสระเป็นตัวเองทีนี้ถ้าเราจะเปียบภายนอกก็เหมือนกับอย่างตาเรามองเห็นข้างนอกมันก็จะจังจับอยู่ข้างนอกเกาะอยู่ข้างนอกใจก็เหมือนกันมันก็มองเห็นข้างนอกมองเห็นแต่อารมณ์ข้างนอก มองเห็นแต่สุขมองเห็นแต่ทุกข์มองเห็นแต่ความอยากอยากได้ความต้องการปรารถนานู่นใจมันมองเห็นไปออกกันนอกที่มันไม่ไ ม, ไม่มองมาเห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองมันก็เลยสลัดตัวเองไม่ได้มองเห็นข้างนอกมันก็จะเอาข้างนอกมนแหละมันไม่ได้เอาข้างในไม่ไดอาวตัวเองการเอาตัวเองนั่นมองเห็น่าข้างนอกนั่นมันไม่ใช่ตัวเอง ในหลักการยึดอาการปล่อยวางนั้นท่านเรียกว่าอนัตตาหนัตตาถือเป็นตัวตนถือรูปเป็นตัวตนถือเวทนาเป็นตัวตนถือสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนถือว่าตนมีห้รูปรูโลกไปนในตนตนเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญา ไปถือตนไม่ถูกไปถืออรูปเวทนาสัญญาสัของขารอย่างไปถือเอาข้างนอกนะว่าเป็นตัวเองความจริงมันไม่ใช่มันเป็นของนอกนอกจากตัวเองพระพุทธเจ้าไม่ถือเอาของนอกนว่าเป็นตัวเองม่ถืออารูปเวทนาสัญญาสัของขารเหมือนว่าเป็นตัวตนดังที่พระเดจ่าสอนปัญจาวคธีในอนัตตลกนาสูตร รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวตนท่านบอกอันนอกมันได้บอกข้างในข้างในตั้งหากนั้นทั้งท่ารู้ท่ากลางใหญ่ใหญ่คือดวงกลางท่ารู้ตัวกลางอีจ ต, ตั้งหาก จิตคือความคิดความปรุงความแต่งวิญญาณคือความรู้แจ้งทาง่างองจมูกเลี้ยงใจแล้วจะไปถือเอาเอาจิตถือเอาวิญญาณว่าเป็นใยว่าเป็นดวรู้ไม่ใช่ซึ่งอนั้นนเปียงเป็นเคียงเพียงกิยาเปียกิยาของดวงรู้พอเราไปถือเอาจิตเอาความคิดความปรุงความแต่งถือเอาความอยากได้ความปรารถนาความต้องการนว่าเป็นตัวเอง เรียกว่าจับตัวเองอย่างไม่ถูกต้องไม่จับเอากียยาของสี่ น, นั้ น, น, นไม่จับเอาตัวเองไม่เข้าไปหาตัวเองเรื่องความสุขความทุกข์ก็ตามมันฉายแสงออกเหมือขนก ที่ท่ น, นี่ยเวทนาเวลาหน้ามันจะเกิดดับของมันเองไม่ต้องไปสร้างไปปรุงไปแต่งนั้นไหน้เรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่มันเกิดมันจะหมุนอยู่ภายในดวงรู้หมุนภายในใจเพราะว่าใจมันไปถือเอาสุขเอาทุกข์กอยู่นั่นเองเนี่ยไปถือเอาสุขเอาทุกข์นั่นว่าเป็นตัวเองไม่เข้าหาตัวเองแต่ทีนี้จะเป็นหนี ในขณะที่เราอยู่ครองร่างกายสังขารนะจะให้ใจของเราหนีจากสุขจากทุกข์ซึ่งมันเป็นของรูปร่างกายนี้ไม่ได้เราพระพุทธเจ้ายของเราจึงสอนว่าให้กำหนดรู้ในหลักอริสัทธ์ว่าทุกข์มนาะให้กำหนดรู้นะไม่ต้องหนีไปไหนดอกกำหนดรู้ทำยังไง มันจะเป็นสุขมันจะเป็นทุกข์ก็รับรู้รับทราบตัวหนึ่งแต่เราอย่าไปเป็นสุขเราอย่าไปเป็นทุกข์พูดดีครั้งหนึง่งสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็รับรู้แล้วซโอ้มันเป็นสุขก็นะอ๋อไม่เป็นทุกข์สุขก็สุขก็ที่ทุกข์ก็ทุก ข, ก ข, กข์เป็นเรื่องมันไม่ใหญ่ใจแต่ต่างหาไม่ต้องไปเอาใจใส่มีสติรู้ ดูใจตัวเองต่อไปจริงๆแ้วมันก็อยู่ตามสภาพนะโทษง่ายๆอย่างเสียงภายนอกถ้าเราไม่ใจใสใช่ไหะเสียงเพลงเขาทุกวันที่เขาร้องเพลงอยู่หน้าปรชาชญ์ครั้งแรก เ, ราเขาทุแสนแตลน่ลาคาญเพลกลาคาญกันทั้งนั้นแต่ว่านานเข้านานเข้ า, นานเหมือนก็ไม่มีเสียงอะไรเ่ะเราไม่ได้ใจใสมันก็อยู่ตามสภาพนะเราไม่ได้ใจใสมันก็มีอย่างนั้นของมันเอง แต่ถ้าจะไปใจใสแ่แสนลำคาญหวาถึงมันจะมาสร้างร้องร่านาห ง, งาร้องเพลงอย่างนี่น้ำเหลือแท้เกิดขัด อ, อกขัดใจขึ้นมายิ่งสร้างความลำคาญยิ่งสร้างความทุกข์ยากเกิดพยาบาทมากแลเอ่คนที่มันมีมันทําอย่างไรก็อีกถ้าเราทําใจเขาเป็นปกติสิ่งภายนอกมันมีอย่างนั้นของมะไรนี่เราไม่ได้ออกใจใส่งแต่ว่าเราเอาใจใส่ตัวเราเอง ในการปฏิบัติของพวกเราก่อนเราก็เอาใจใส่ตัวเรานี่สิเอาใจใส่ตัวเราแล้วเอาใจของเราให้รู้สิ่งที่มันมีมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะเวทนานะมันจะต้องมี ท, ทุกเวทนาทุกเวทนาอันนี้มันเกิดมาทางกายต่างหากทำาม้รูปร่างกายมันมีมันก็ต้องมีสุขมีทุกอย่างนี้ แล้วทีนี้แล้วก็ต้องแก้ไปตามเหตุในร่างกายหรือร่างกาย น, าายนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของใจมาอยู่อาศัยแล้วพุทธเจ้าก็สอนให้เราให้เรียนรู้รู้อะไรก็รู้สุขรู้ทุกข์ที่มันมีอยู่ที่กายนี่แหละอาการที่ใจก็าเรามาอยู่รูปร่างกายนี่มันมีอะไรมันก็มีสุขกับทุกข์นั่นแหละ แต่ว่าพวกเราหรือใจนะมันชอบเอาแต่สุขสนะุขนอย่างเดียวอะทุกมันไม่เอาอะพอทุกเกิดขึ้นก็เสือกสนโกนก歪สทิทั้งทั้งที่ไม่อยากได้มันก็มีมันก็เป็นวัานธภาพของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นของมันเองอยู่แล้วเราพิจารณาทีๆีอย่างร่างกายของเราถ้าเราไม่บริหารถ้าเราไม่รักษา ถ้าเราไม่ก้มของมันจะมีโดยสุขกันไม่มีอ่ะแล้วต้องบริหารก็อยู่ตลอดเวลาโดยเาต้องกินต้องดื่ ม, มกินนะยังกำหนดว่าเออสักสามมือ้ออาหารแต่เรื่องดื่มมนสิเอาอยู่ซะเอยไปไหนมาไหนก็พายกระติกน้ำตามหลังเป็นทุกอยากลำบาก กินเข้าไปว่ามันบทับมันบจากกิใจเยี่ยวเหนือเดือดร้อนเรื่องมันใจเยี้วถ้าบวกินกับว่าได้ปอดแห้งนะมันเพิ่มความทุกข์เข้ามาท่านให้เรียนรู้สุขและทุกข์ทั้งหลายอย่างนี้ตามความเป็นจริงในที่ถ้าเรียนรู้จักทุกสุขที่มันมีมันเป็นอย่างนี้โดยที่เราไม่รู้จักใจแล้วมันไม่ได้ ต้องรู้จักตัวเองว่าผู้ที่รับสุขรับทุกนั่นแหละคือใจนั่นเองเราไปรู้จักกับทุกสุขเท่านั้นแต่ว่าไม่รู้จักผู้ที่มันรับสุขทุกน์่นแะมันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันี้ารู้จักว่าเออสุขทุกใจนั้นแหะมันเป็นผู้รับรู้รับสุขทุกนี่จะไม่มันมีมันเป็นไม่ได้มันมีมันเป็นมันสุขมันทุกอย่างนั้น น้อก็เป็นเรื่องของมัก็จะเอาอะไรล่ะแล้วะเอาเขาเอาตัวเองเราใจใจของเรานั่นแหละ ท, ที่จะเอาของเรานั่นตลอดถ้าว่าปกติท่านมันเอาเอาเราเองกําหนดใจได้แล้วมันก็จะได้ชั่วนขณะเวลาเนี่ยถ้าไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาเข้าไปมันจะไม่รวนล้วนทั้งต้องฝึก จะไม่รวนร้วนนะสิต้องฝึกที่ให้ฝึกสติสมาธิภาวะปัญญาหรือให้ภาวนาเนี่ยก็เพื่ออย่างนี้เพื่อให้เข้าถึงตัวเราโลล้วๆๆนที่ก่อฟอกออกให้มันมีมหามาปิดบงังให้เข้าถึงแก่นแท้ะของมั น, น, น ทีนี้เราจะฝึกวันหนึ่งสองวันมันไม่ได้เราต้องฝึกสม่ำเสมอนะ้วก็ฝึกอินทรียคือฝึกศรัทธาเรียสติสมาธิปัญญานี่ยอินทีห้าแต่อินทรียห้าในบริบูรณแล้วมือดมักผลแล้วก็เกิดขึ้นในใจหมด น, นั้นมักผล สติปัญญาที่จะละถอนปล่อยวางมองเห็นว่าอาการที่ใจมาอยู่อาศัยขันห้านี่นะโอ้ยฐานไฟใจนี่มันนอนอยู่ในฐานไฟนี่นอนอในกองทุกข์นี่มันก็โดดหนีทันทีเีมันเห็นอย่างนั้นตลอดมันก็โดดหนีนี่ถ้าเห็นเป็นบางข้างมางข่าว เ, เห็นไปแล้วรื้อีกแล้วก็โดดเข้าไปอาศวยอีก อ้าวทูกอีกแล้วจะโดนนีอีกแล้วก็อยู่อย่างนั้นเพราะความเห็นนั้นมันไม่ตลอดความรู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นต้องทั้งรู้และเห็นด้วยไม่ใช่รู้อย่างเดียวแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวต้องรู้ต้องเห็นด้วยถ้าเห็นบางอย่างที่เราเห็นด้วยตาเอาเห็นแต่ไม่รู้จักขึ้นต้องเห็นด้วยต้องรู้จักด้วย รู้จักคุณนุษตักโทษรู้จักประโยชน์ได้ไม่ใจประโยชน์ของมันด้วยเรารู้จักขันห้ายัางไม่เห็นขันห้าต้องรู้จักทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งคุณและโทษและเห็นต้องเห็นตลอดด้วยไม่ใช่เห็นอย่างเขาพิจารณาเอาเห็นจริงตามท่านอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ลาไม่ถอนไม่วางออกทาไมที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันเห็นชั่วขณะเวลา ที่เราใครยกวามีนาในขณะที่เราใช้ปัญญานั้นเท่านั้นมันไม่เห็นตลอดไปเรียกว่าปัญญาความรู้เห็นมันไม่ค้างอยู่ในจิตตลอดไปมันไม่นอนอยู่ในใจของเรานั้นตลอดไปถ้ามันนอนในใจของเราตลอดมันก็ผลไปสิแต่มันก็เป็นประโยชน์ถ้าเราใช้ปัญญารกว่าปัญญา น, น, นั่นเป็นทางให้ให้เกิดความรัาสาหรือเป็นเหตุให บริสุทธิ์ได้แต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างว่าหนองน้าที่มันมีจอกแหน่เราจะเอาน้ำเราก็เอาอะไรกวาดๆจอกแหน่นั่นออกช่วเวลาที่เรากวาดเอาไม้กั้นไว้น้ำก็ใสเราก็เห็นน้ำใสสะอาดขึ้นมาก็ตัดเอาน้ำจะอาดมาได้แต่เมื่อเราขึ้นมาจับเอาไม้ออกแล้วไอ้จอกแหน่ก็วิ่งเข้า ติดกันอย่างเก่าไอ้ใจของเราที่เราใคร่ควรพิจารณาด้วยสติปัญญาธรรมดาธรรมดาก็อย่างนั้นคือละได้ถอนได้วางได้ชั่วขณะที่เราเพิจารณาอยู่นั้นแต่ไอ้สติปัญญานะั้มันยังไม่นอนอยู่ในใจเราจึงจําเป็นต้องฝึกอินทรีย์ต่อไปคืออินทรีย์คือสร้างศรัทธาฉันทะของเรา บอกว่าทางนี้ศรัทธาปลูกศรัทธาลงไปทางนี้ทางที่จะให้เราผลทุกทางนี้เท่านั้นไม่ใช่ทางอื่นพรเดจะาสอนให้เราฝึกสติสมาธิปัญญาไม่ใช่สอนให้ทาอย่างอื่นสติปัญญาเพื่อให้ให้สติปัญญานั้นไปนอนอยู่ในใจหรือให้ใจมันมันเป็นให้ใจมันมีใ ห, มนมให้มันมีสติสมาธิปัญญา ไม่ใช่ฝึกสติสมาธิปัญญาถ้ายังฝึกอยู่ก็เรียกว่ า, ย, ายังฝึกอยู่มันยังไม่มีไม่เป็นอ่ะต้งฝึกแล้วปลูกความเชื่อแน่วแน่นี่ทางวิทียาวหวังไว้ดีแล้วฝึกไปปลูกศรัทธาแล้วก็เพียรพยายามดิเราต้องทำสม่าเสมปเอปกติขาก็เราก็อ่านกือกปอนนอนไหวพลาสวดมนต์ หรือไหว้พรกคา พ, พากักแสงบจิตใจอย่างภาวนาฝูทโธทำโมสังคโคลรักษาจิตใจก่อนเรียกว่าฝึกสติฝึกสติเพื่ออะไรให้จิตมีสมาธิเพื่อให้มีปัญญาต่อไปเมื่อสติดีแล้วสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดแล้วก็เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ถ้ามันพร้อมบริบูรณ์นี่นสัทธาริยสติสมา ธ, มาธิพร้อมแล้วบริบูรณ์แล้ว มรดกก็เกิดฟุดขึ้นในใจเดี๋ยวก็มีบริบูรณ์นาทีเนี่ยเต็มจึงหลุดพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะได้หรือพ้นจากความเกลียดเจ็บตายได้ใจนลยนะไม่ต้องไปหัวเออนี่ผ่านอย่างนั้นไม่ต้องไปหัวขอให้ใจนั้นเต็มบริบูรณ์นี่อย่างนี้ก่อนอันนี้ภาคปฏิบัติในทางที่ใจพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะ ที่จะให้เราพ้นจากความเกลียดเจ็บตายแต่นั่นเราต้องเพียรพยายามทำอยู่สม่ำเสมอทำเรื่อยไปแต่เราก็จะไม่ต้องทำเผื่อว่าเรานั้นยังไม่พ้นง่ายๆก็จะไม่ต้องหวงถึงการที่จะเกิดเป็นภายได้ด้วยเกิดมาแล้วก็ขอให้เป็นได้มนุษย์สมบัติ อย่าให้เป็นมนุษย์วิบัติเกิดมาแล้วให้ได้เกิดในฐานะตระกูลผ่านกลางหรือมังอง่งค์ขางเกิดมาแล้วต้องให้มีสติปัญญาเกิดมาแล้วต้องมีทั้งทั้งความรู้ดีและความประพฤติ ด, ดีด้วยที่เป็นเช่นนั้นต้องอาศัยหลักฐานอาศียประกอบเข้าไปอาณาแหละ เป็นเครื่องช่วยฐานาฐานตากุลของคนของคนที่เกิดมาต้องอาศัยฐานรูปหลังกายที่ไม่มีวัตรุรูปหลังกายที่สมบูรณ์เพราะอาศัยสีนั่นแหละบุคคลที่เกิดมาแล้วที่มีความคิดแล้วจะพ่อฝึกหัดใจของตัวเองที่ฉลาดนั้นต้องสนใจในการศึกษาสนใจหาวิชาหาความรู้ฝึกหัดใช้ความคิดฝึกหัด ได้ยินได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วนํามาคิดพิจารณาค่ายคุถ้ามีความรู้ความฉลาีาดความเข้าใจในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินฟังนั้นๆเป็นทางให้เกิดความฉลยียวฉาดตลอดถึงการศึกษ า, เ ร, าเรียนในตาใน่างๆทั่วโลกแล้วก็ฝึกษาตามความสามารถที่เราจะทําได้แต่มาเราจกไม่งง อันนี้เกิดมาแล้วจะเป็นผู้มีความบังคุณ ด, ดีต้องฝึกหัดไปว่าจาใจหรือเรียกว่าฝึกสติสมาธิดังที่ว่านี่เองจตมันยังไม่ถึงความโพนเกิดมาแล้วคนนั้นใจอยู่ในกุศลธรรมแต่ไม่ต่ำที่จะให้ไปร่วงเกินในศีลห้าหรจะไปทําความช่วยช้าเร็วสาวนั้นทําไม่ได้ตัวอย่าง พระมหากัตริกับนางคตต า, าเพปิลานีถึงพร ะ, พระมหากัสริยนั้นเป็นผู้เป็นองค์แรกที่ทำสังฆายานาคราแรกข้างหนึ่งช่านทั้งสองนั้นไปเกิดในชัน้นผอมพอเกิดชั้นผมแล้ว ก, มกนมน็มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดันไปเกิดในตระกูลของของชาวประมงเข้าให้ เกิดมาแล้วพอเจริญไวัอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดในตระกูลหัวหน้าชาประมงอีกส่วนอีกฝ่ายหนึ่งผู้ชายอีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดในตระกูลของชาวมงที่เป็นหัวหน้าอีกแหละทั้งสองตระกูลนั้นก็ตกลงกันถ้าว่ใครมีลูกสาวลูกชายก็ลองเอาแต่งงานกันก็ให้แต่งจะให้แต่งแล้วก็เขาเหล่านั้นเขาทําอาชีพคือชาวประมงหาหาป่ามาค้ามาขาย พอแม่ก็จะนมอบภาระอันนั้นให้ถาำอันนี้ก็บอกเออเราไม่ฆ่าสัตว์พวกเราไม่ฆ่าเขาเหล่านั้นก็บอกเออเมื่อเราเกิดในตระกูลอย่างนี้ฐานนี้จะไม่ฆ่าสัตว์แต่จะไม่ทํำชาวประมงอย่างนี้จะทํำยังไงเอีเมื่อเกิดในตระกูลอย่างนี้ก็ต้องทํานี้เขาทั้งสองเมื่อได้แต่งงานก็บอกเออฆ่าไม่บวกแมวฆ่าจะไปหนีไปบวชดีกว่าไม่ต้องทําปานาที่บ้าน สองผัวเมีนี่ทั้งๆ ท, ท, ที่แต่งงานกันแล้วก็กไม่ได้นอนเป็นสามีภรรยาแต่ในานามเท่านั้นเขาเกิดมาจากคันพมมันไม่ยินดีในการมารมทั้งสองคนนั้นก็ออกไปบวชผู้ชายเรียกว่าตาตาประสูผู้หญิงนี่กว่าตาปณีแตบวชเป็นฤาษีก็เป็นพ่อของสุวรรณสามในทศ ช, ชาติชาดก ถึงแม่ท่านเกิดมาแล้วไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เกิดในตระกูลของบุคคลที่ฆ่าปลาฆ่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนั้นจิตใจของท่านก็นยังไห่ยินดีทในการที่จะฆ่ากันเพราะว่าพื้นเดิมของกุศลที่ได้สร้างมาแต่อดีตแล้วเป็นเครื่องนํามาเป็นเครื่องสอนหม้แต่จะเธอในตนะตระกูลของคนมิฉาทิฏฐิยังไงคนที่ได้สร้างความดีมาอย่างนั้นก็ไม่หลง ที่จะไปทำความชั่วอย่างเขาหรือไม่หลงเลยที่จะไปนับถือศาสนาอื่นนอกจากพุทธศาสนาเท่านั้นผู้ฝึกหัดที่ดีแล้วไม่งงไม่ไล่เหตุผลนี่คือพื้นเดิมในการฝึกหัดในด้านจิตใจนั้นพวกเราเราก็ต้องฝึกหัดินทซีก่อนไม่ต้องไป ไปเข้าใจเราเราจะไม่ได้เราจะไม่ถึงองเชื่อกันเชื่อการกระทานั้นเป็นหลักรเราทำทุกวันมันก็ได้ทุกวันอย่าถือว่ามันไม่ได้ได้ทุกวันนั่นแหละเราต้องรู้ความงุมเราฝึกเอาอะไรนี่เราฝึกอะไรกันนี่เราฝึกขดกายวาจาและใจฝึกเอาอะไรฝึกให้ใจมีสติเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญาปรากฏขึ้นในใจ พึ่เอาอย่างนั้นไม่ได้เอาอย่างอื่นนอกใจเนี่ยเมื่อเราปลูกศรัทธาฉันทะ ก, ก็ร้องยินดีพอใจใจของเราก็ไม่ท้อถอยในกุศลธรรมก็จะไม่ท้อถอยในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกเราเพียรพยายามอย่างนี้ไม่ต้องน้อย อ, อกน้อยใจการปฏิบัตินะจะให้ถึงวันนี้สวันมันไม่ถึงหรอ ภาษาวกสาวิกาทั้งหลายท่านสร้างบา ร, รมีไม่ใช่น้อยเลยนี่พวกเราก็เป็นอันว่าดีแล้วมาพบพุทธศาสนานะนะได้มาประพฤติธปฏิบัติอย่างนี้ได้มาทําอย่างนี้ก็ชื่อว่าเกิดมาดีแล้วได้พบประพฤติปฏิบัติศีลธรรมนี่ถ้าเราปลูกศรัทธาฉั้นทะของเราเราก็จะปื้มปีติในการปฏิบัติีนนี้ของเราใจก็ จ, จะไม่ถอย คือว่าเราปฏิบัติทุกวันได้ทุกวันแะเราก็จะรักษาใจของเราไว้ให้ดีอย่าให้ตกต่าเพราะว่าในการปฏิบัตินั้นต้องสำรวมระวังรักษาทั้งนี้ว่าดีและสังวรระวังรักษาการประพฤติของเราความประพฤติของเราให้ดีอินทรีสังวรหรือสติสังวรรักษาใจอย่าปล่อยอย่าปล่อยไปตามเรื่องตามเราต้องระวังตัวเอง เหมือนกับเราระวังทางร่างกายนะเราจะไปไหนมาไหนต้องระวังจะมันมีแต่อันจะมันจะมีอันตรายใจของเราก็เหมือนไม่ระวังมีอันตรายมันจะนำทุกข์โทษมาให้เราเพียงยายามระวังตัวมันไม่ผิดหรอนี้ถ้าเราไม่สํานึกกอนอนไม่ไหวพระส่วนนูนนั่งคณะตื่นนอนไม่ไหวพระส่วนมันลืมตัวเองเลยหนึ่งนะลืมตัวแล้วก็หลงตัวเองละที หลงเห็นสิ่งที่มันไม่ดีนะว่าดีเลยว่าวิเศษอะไรนะโชคขลังนะพากันภูมิใจเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพระพุทธเจ้าจัดจัดพบเป็นสามภูมิเป็นสี่พบจามีสามคือกามาพบลูกประพบอารูปประพกลามาพบหมายถึง มนุษย์และสัต์ทางหลายมีความเคาะมีใจนะ่ะคล้องในกามยินดีในรูปเสียงกจะลดโพธพภะรักในรูปเสียงก่ะลดโพธิภะหรือยินดีในการมีสามีภรรยา น, นั่นเองยิ่งเดียว ก, กามในมนุษย์ที่เป็นกามมาพบนั้นก็จัดเป็นประเภทก็คือมนุษยโลกเทวโลก นุษสโลกไั่หมายถึงมนุษย์ที่พวกที่เราเกิดกันนี่นะปุ่มมนุษย์มนุษย์สัโลกแล้วก็เทวโลกนั่นหมายถึงพวกเทพซึ่งมีร่างกายละเอียดอ่อนกว่ามนุษย์ละเอียดกว่ามนุษย์ตามมนุษย์ธรรมดาไม่เห็นจะ ต, ต้องตาห ย, ยาดจึงจะสามารถมองเห็นได้พวกเทพอีกพวกหนึ่งคือพวกสัตว์โลกเปอสุรกาย สารโลกเป็ดสุกาอีกภูมิหนึ่งไม่ได้ไม่เป็นภ thời, นนนูมิเดียวกับมนุษย์แต่ว่าสัตยาชานสัตยาชานอยู่ในุ่มเดียวกับมนุษย์พวกเหล่านี้เรียกว่ากามมาพบคือล้วนแต่มีใจคล้องในกามทั้งหลายทั้งนั้นอ่ะยินดีในเรื่องรักรักรักใคร่ใคร่าคาทางนั้นยินดีในอารมณ์ที่น่ารักทางนั้นตักเกียรติในอารมณ์ที่ไม่ไม่พอใจทั้งนั้นอ่ะจึงเรียกว่ากาม ตามมาพบคือติดในความค่ายติดในความรักความยินดีอีกพวกหนึ่งรูปภปพนั่นหมายถึงพวกผมคือผู้ที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วสามารถรูปโรคนี้ภายในเป็นเครื่องอยู่แต่มื่ว่าเขาเพ่ง เรมาทานอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดตึนในมิติภายในจิตใจก็คล่องแล้วก็ติดอยู่ในรูปในมิติภายในนั้นเรียว่าเพ่งพระพุทธรูปให้เห็นรูปขึ้นมาพอได้รูปมิติของพระพุทธรูปแล้วก็เอารูปในมิติของพุทธรูปข้างใ น, เ, นเป็นเครื่องอยู่ทําเป็นเหมือนดองแก้วกลมอยู่ข้างในอยู่ที่ไหนไหนก็เพ่งดูดวงแก้วเป็นเครื่องอยู่นั่นแหละท่านเรียกว่ารูปภพ หมายทั้งว่าใจเ็ติดในรูปภายในไม่ได้ติดรูปภายนอกพวกกลามวัภพบติดรูปภายนอกพวกรูปประพบติดรูปภายในคือรูปนิมิตข้างในเรียกจึงเรียกว่ารูปประพบเป็นพวกผมอีกพวกหนึ่งเรียกว่าอารูปประพบที่ไม่มีรูปคือติดในในกรมมฐานที่ไม่มีรูป คือติดสุขเวทนาหรืออุเปกขาเวทนาเป็นเครื่องอยู่ใจนั้นจะไปติดอยู่ที่อุเปกขาเวทนาเป็นเครื่องอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์ผู้นั้นบำเพญญ็ญฌานได้รูปประจานที่เป็นพรหมก็บำเพญ็ญเป็นพรมเพนภาวนาได้รูปประจานตายแล้วก็ับไปเกิดเป็นพรหม อารมณภพนั้นก็บำเพ็ญอารมปอรมประชานได้ก็เข้ า, ขาถึงอารมณ์ภพนี่พบสามการพบรูปประพบอรมประพ บ, พ, บพวกเหล่านี้ล้วนแต่แก่เจ็บตายกันการ ม, มาพบมนุษย์สัตว์สิราิฉานเปตอสุรกายสัตว์สิริฉานล้วนแต่แก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น อยู่ในชั้นพรหมแม้จะมีความสุขแม้จะเป็นเป็นพวกเท พ, าพกามภพกมีเทพนี่จะมีความสุขมากกว่ากำหนดน้อยนึงแต่ก็มีกําหนดอายุพวกพรหมก็มีความสุขเหมือนกันแต่ก็อยู่ในสภาพแก่เท่าชะลาดับตายเหมือนกันหมดจึงไม่พ้นทุกข์ทางปวงได้รขบถิบจ่าจึงสอนภาษาวอด อยสอนให้เขาอยู่แค่นี้เลยหากว่าเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ํำรวยสวยงามขนาดไห น, นก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่นั่นแหละอย่าให้เขาออกแค่นี้หรือเขาจะพัฒนาให้เป็นเทวดาเทวดามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแหละหรือจะบําเพ็ญฌานภา ว, วนาเข้าเด็กเป็นพรหมพรหมสิบกชั้นแล้วก็บลูประพรมอีก ก็ต้องมีกําหนดอายุหมนกันเข้าถึงความแก่ชราต า, ายกันทั้งนั้นจึงไม่พ้นทุกทั้งปวงดังนั้นจึงสอนเขาให้เับพระวจีบัติบําเพ็ญคุณธรรมดีคือสร้างบุญสร้างกุศลให้เข้าถึงนิพพานโน้นนี่พระพุทธเจ้าบอกสาวกอย่างนั้นในพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนอย่างนั้นก็บอกสาวกให้สอนอย่างนั้นหลักวิธีสอนจุดหมายปลายทาง ทีนี้พระพุทธเจ้าก็มาสอนก็มาบอกก็เป็นแบบฉบับหลาการจะสอนคนอื่นนะแนะนำคนอื่นต้องทำตัวเองนะให้ดีให้เป็นแม่พิมเป็นแม่แบบเขาเนี่ยแต่สอนคนอื่นเขาเปา่าๆแต่ว่าตัวเองไม่ดีหรือว่าคนบางคนอสอนคนอื่นเขาไม่ให้เป็นแค่คนขี้โกธ หรือไม่ให้เรากินเหล้าเมาชัวร์แต่ว่าตัวเองดันกินเหล้าอยู่ละ่ะสอนคนหนึ่งเขาได้ไงตัวเองก็เศ้าหมองเขาก็ด่าหัวเอาสอนคนอื่นไม่ให้สูบบุหรี่แต่แต่องตัวเอ ง, เองนะสูบบุหรี่มันก็เลยไม่ได้ความพระเจ้าจึงบอกว่าต้องทําตัวเองให้ดีเป็นแบบฉบับคนคนอื่นพอเขาเห็นท่านเขาเลื่อมใสเขาทําตามได้พอตัวเองนะทําดีเป็นตัวอย่างแล้วพอมองเห็น จึงเป็นแม่พิมสำหรับเป็นครูคนนั้นต้องเป็นแม่พิมเอาตัวเองนั้นเป็นตัวอย่างทั้งความประพฤติทางกายวาจาและจิตใจด้วยเมื่อทําได้เช่นนี้จึงชื่ว่าทําดีเป็นตัวอย่างเขาทีนี้การกล่าวสอนนี่กล่าวสอนคนอื่นนั่นเตือนคนอื่นนั้นอย่าไปใส่ร้ายคนอื่นเขาไปโจมตีคนอื่นเขา สงฆ์จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาจะไปโจมตีศาสนาอื่นพวกเดลถีนิคนอาเจรากะทางหลายอยู่ในสมัยนั้นมันมีมากอย่าไปโจมตีเขาว่าพวกเหล่านั้นประพฤติไม่ดีไม่ชอบไม่คข้นไม่งามไม่ต้องไปว่าเขาละบอกของเราดีกว่าของเรานะเราให้ประพฤติอย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรชี้แจงแนะนําให้เขาเข้าใจในคําสอนของเราที่เราหวังไว้นี่ หาเขาเกิดความเชื่อความเหลเขาก็จะปฏิบัติเองเอย่าไปโจมตีคนอื่นเขาเพื่อจะยกย่องตัวเองว่าดีเลิศนะใช้ไม่ได้มไนมูไหนเหล่าไหนก็เหมือนกันจะไปชี้แจงคนอื่นโจมตีคนอื่นแล้วก็จะมาให้ตัวเองว่าดีเหมือนกับพูดแทนเขาโฆษณาหาเสียงโจมตีคนอื่นว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนตัวเองนะต้องเขาเ้าใจจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ ข้าพเจ้าจะช่วยประช้าชนอย่างนั้นอย่างเป็นตน้นนั่นเป็นแบบฉบับที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าห้ามห้ามทำไม่ต้องไปไปคิดว่าเขาจะเริ่อมสายหรือไม่เริ่มสายหรอกขอให้สอนทำให้เป็นสัจจะชี้แจงธรรมะให้เข้าหาความจรงิงแล้วให้เข้าพิจารณาความจริงด้วยเหตุผล เมื่อเขาพิจารณาเห็นความจริงจังแล้วก็เขาก็จะนับถือเองเขาก็จะเอามาใช้เองอ่ะเขาเห็นว่าเป็นของดีแล้วเขาก็ไปใช้ตอนนั้นเนาะนี่พระติเจ้ากาหนดผู้สอนต่อไปก็กําหนดคําสอนหนึ่งว่าจะสอนเขานะ่าจะสอนอย่างไรว่าโดยย่อคําสอนของพระติเจ้าว่าโดยย่อก็คือ ให้เว้นชั่วประพฤติดีแล้วก็ทำละใจของตัวเองให้หมดจดจากเครื่องสามองใจเมื่อลอมรวมข้อปฏิบัติก็คือให้ําเพินทานศีลภาวนา น, น่อนต้งงให้ทานจงรักษาศีลเจริญภาวนาทำให้มากให้พอเป็นคําสอนที่ปฏิจารกนดไว้โดยย่อไม่ สมัยก่อนโน้นที่พระพุทธเจ้ากําหนดไว้อย่าง น, นี้มาวันนี้เป็นวันวันนั้นวันที่พระพุทธเจ้าบอกจุดหมายปลายทางของคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะให้ปฏิบัติถึงจุดนั้นและบอกวิธีภาษาวกที่จะต้องสอนคนอื่นและบอกวิธีการคําสอนที่วางไว้เป็นแม่บทเป็นหลักที่เรามาทําเช่นนี้เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงดีกว่าเป็นการบูชา ความดีของพระพุทธเจ้าแล้วของพระสงฆ์ทางหลายนะการบูชานะเราบูชาด้วยดอกไม้สาการะต่างๆไม่ได้มาให้เขาเราให้ทันเราทำให้เรานั่นแหละให้เรานะเป็นผู้ดีให้มีจิตใจอ่อนน้อมไม่เป็นผู้แข็งกระด้างยึดเหนี่ยวเอาสิ่งที่ดีงามนะ หลักคำสอนข้ภทั่วไปของพระปุทธเจที่ท่านสอนให้เราทำเช่นว่าสอนให้เรามีเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นถ้าเราปฏิบัติตัวให้เป็นผู้มีเมตตาคนอื่นช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นสิ่งเหล่า น, นั้นมันจะสะท้อนมาใส่เราเมื่อเราเมตตาคนอื่นคนอื่นก็เมตตาเรานั่นเราหวังดี ต่อคนอื่นคนอุ่นเขาก็หวังดีต่อเรานั่นนะ่ะเหมือนซึ่งมันเป็นของตอบสนองกันอยู่แล้วถ้าเราโกรธเขาเกลียดเขาเขาก็โกรธเราเกลียดเราเหมือนกันนั่นแหละมันตอบสนองกันเมื่อเราทําดีต่อเขาเขาก็ทําดีต่อเราเราพูดดีต่อเขาเขาก็พูดดีต่อเรานี่ย น, นะมันตรงกันข้ามอย่างนั้นพระเดจ้าจึงห้ามอย่าเอาของที่มันไม่ดีไปกดอื่น เมื่อเอาของคนไม่ของไม่ดีไปให้คนนึงเขาก็ตอบสนองมาอย่างนั้นเราจึางต้องทำดีตลอดที่นี้ที่เรียกว่าบูชาบูชานั้นหมายความว่าคารบนับถือสักการ ะ, ะบูชากล่าวยกย่องสรรเสริญ ที่เร็วกว่าบูชาเรากล่าวยกย่องสรรเสริญที่เราว่าคําไหว้พานอรังตมาสมุทโบรกว่าพุทธังพุกันตังอภิวาเทมิ่งพเจ้ากล่าวไหวพระพุทธเจ้าอนี้ว่ายกย่องกล่าวยกย่องชมเชยว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ดีเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดกล่าวยกย่องท่าน ยยรบันนนรรบนับถือแต่ย่องแล้วก็รับเอารับเอาพระพุทธิจ้าเนีว่าเป็นเป็นที่เคารพนับถือล่ะเป็นสารณะของเราเรารับเอาแล้วว่าท่านเป็นผู้ดีณที่น้ ส, ากกาสักาละเพื่อแสดงอาการข้างนอกว่ากราบไว้นำดอกไม้ทูบเทียนมาเป็นเครื่องหมาย แสดงความคารวะนั้นนั้นทนี่ยว่สาสักการะภาษาบาลีใช่ครับว่สาสักการะสัมมาสัมมาณคือน้อมรับนับถือเอาว่าเป็นของเราสักการะคือสิ่งของที่นำมา เพื่อแสดงความเคารพน้อมนั้นนั้นเหนมเมื่อเราทำเช่นนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราน้อมไปน้อมนิสัยจิตใจของเราไปทางผู้ดีนั้นหลักโทษตายที่พุทธเจ้าสอนให้ครบคือให้ครบบัณฑิตนักปราชญ์ให้เว้นการครบคนผ่าน โดยไม่ให้ไปใกล้ไปใกล้ก็ไม่ไปใกล้ไม่เห็นไม่ให้ดูเส่นเดียซกันไปแต่ทีนี้ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมน่ะท่านจึงให้ระวังพอเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีอย่างนั้นทั้งๆที่เราอยากไม่อยากจะทําัำมันอาจจะเผลอทําและพูดไปเอาคุณียามารยารรมของคนผ่านของคนไม่ดีนำะมาใช้ก็ได้ยิ่งเป็นเด็กๆยิ่งไปใหญ่ ถ้าปล่อยไปในสังคมที่คนพูดไม่ดีกระทาไม่ดีเดี๋ยวได้เอาอย่างมาแป๊บเดียวเธอน่ะเด็กฉันจึงให้ระวังแม้ตัวเราผู้ใหญ่รู้เดี๋ยวสาแล้วก็ครั้งแรกก็คงจะไม่เป็นไรแต่เมื่อนานเข้านา น, านเข้ามันเป็นภยัยมีตัวอย่างเขาลงหนังสือพิมพ์ ม, มานานมาแล้วอันนี้เด็กลูกจะเป็นลูกชายของหมอ เด็กคนนั้นเป็นผู้มีความเคารพนับถือแล้วก็รักเพื่อนรักมิตรเนี่ย ว, ว่าถือความซื่อสัตย์ถือความดีเป็นหลักอะไอ้เพื่อนทีนี้ไปคบเพื่อนไม่ดีครับเพื่อนมันนํามันไปปนชวนกันไปปนแต่ไม่ไม่บอกให้เพื่อนลูกหมอนี่ทราบหรอกว่าไปปนให้ขี่รถไปโดยก็ไปเที่ยวก็ เอารถไปจอดไว้แห่งหนึ่งให้ไอ้ไอลูกหมอนั่นเป็นคนนั่งเฝ้ารถหมอนี่ก็ น, นั่งดูหนังเพลไอ้เพื่อนๆมันก็ไปป้นเขาสิตามไล่จับวิ่งมามาที่รถไอ้พูนั้นมันหนีหมดก็มาจับได้ลูกหมอที่นั่งเฝ้ารถอยู่นั่นปฏิเสธว่ามาไหนรักแม่ทาไอ้ตำรวจเขาก็ไม่เชื่อเพอาะงั้ต้อง ถูกสอบสวนโทกอะไรต่างๆไปหน้าหนานิสัยที่ไปคบคนไม่ดีแม่ในพิานาวาเพื่อนดีเดินไม่ดีมันก็เป็นดาราทั้งๆที่เด็กนั้นอ่ะมันก็ไม่ทำชั่วอะไรทางนั้นจึียงแตไปคบคนไม่ดีคนไม่ดีเอาสิ่งที่ไม่ไม่ดีนำมาให้อย่างนั้นเรียกว่าเคารพนับถือเพื่อนถือเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายไม่วกว่าเป็นคนดีเราจะเลือกเอาใครเป็นมิตร เป็นเจ้หายเราจะเลือกเอาใครเป็นที่เคารพนับถือนั้นเราต้องพิจารณาก่อนสําหรับพวกเรานับถือพุทธศาสนานะ่ะเรานับถือว่าพระพุทธเจ้านะั้นเป็นพุทธรัสนาจริงทําไมจึงเราจรึงนับถืออย่างนั้นนับถืออย่างนั้นเพราะเราถือหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระพุทธเจ้านะ่ะปรินิพานานานแล้วล่ะแต่พวกเราทําไมจึงเชื่อ เช่ว่าผูใ้ใดเจ้ามีจริงที่เชื่อว่ามีจริงนั้นอ่ะกระเพาะหนึ่งหลักฐานในประเทศอินเดียนั้นมีสถานที่ประสูตรตรัสรู ป, ปริเนปานมีเป็นหลักฐานให้เราเห็นอยู่นานอันนั้นหนึ่งทางวัตถุนี้ทางธรรมะคาสอนที่จายเวิร์คไว้ในพระไตรปิฎกเป็นคําสอนที่มีสัจจะทำทางนั้น ไม่ใช่เป็นผู้เป็นพุทธะและไม่สามารถที่จะบัรดัดแต่งตั้งได้คำสอนของพุทธานั้นนะเรื่องเลยมันถึงสองสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วก็ยังใหม่อยู่เสมอทันสมัยอยู่เสมอยิ่งศึกษายิ่งเรียนยิ่งอ่านยิ่งทำความกรใจยิ่งมีความรู้แล้วเข้าหาความจริงมากยิ่งขึ้นงั้นชาวผูทว้ทั่วถายผู้ศึกษาและผู้เรียน่ะตั้จริงจึงนับถือยกย่อง